โยจะปุเ พ, พปมัจิตวาปาัจจาโสนาปะมะจติโสมังโลกัง ป, ปพาเซติอภามุตโตวัจันิมาอภิวาทานาสิริสนิจังบุตตาปจายโนจัตตารธรรมาวัฏหันติอายุวันโนสุขังพลัง <S <S <S คำสดเมื่อกี้นี้แปลว่าคนใดที่เบื้องต้น ทำผิดไปต่อมาระลึกได้ว่าทำผิดคนนั้นจะเปรียบเหมือนวันที่พระจันทร์เต็มดวงแต่มีเมฆบังพอระลึกได้ว่ามีความมีความผิดกับตัวแล้วมาขอเข้ามาเนี่ยเปรียบเหมือนวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วเมฆเลื่อนเปิดออกมาเผยให้เห็นพระจันทร์เต็มดวงโลกสว่างเพราะแสงจันทร์อย่างใดก็เหมือนจิตใจของคนที่ มีความผิดแล้วเราได้ถึงความผิดอันนั้นจิตใจเขาจะเปิดกว้างแล้วสว่างขึ้นมานี่คือความหมายของบทเมื่อกี้นี้